ปัจจณิกะจกขุนทรียมูลกไนสี่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จกักขุนสบุคคลนั้นก็ไม่เคยละโทมานัตสินสี่ใช่ไหมวิเศษชนาบุคคลสองจำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จกักขุนสี่แต่ไม่ใช่ไม่เคยละโทมนัตสินสี่ บุค<ณ>คลหกจำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุน4แล้วก็ไม่เคยละโทมนัสสินศรีปฏิโลมปุจชาบุคคลใดไม่เคยละโทมนัสสินศรีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุน4ใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจชาบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนศบุคคลนั้นก็ไม่เค ย, ยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินศรีใช่ไหม วิจัชนาะบุคคลหกจำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนศรีแต่ม่ใช่ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินศรีบุคคลสองจำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนศรีและก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินศรีปฏิโดมปุจฉาบุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินศรี บุคคลนั้นก็กําลังกําหนดรู้จักขุนศีใช่ไหมวิเศชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จักขุนศีบุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอัญญศีใช่ไหมวิเศชนาอรหันตบุคคลไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จักขุนศีแต่ไม่ใช่ไม่เคยเจริญอัญญศีบุคคลเจ็ดจำพวกไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จักขุนศีแล้วก็ไม่เคยเจริญอัญญศี ปฏิโมปุชชาบุคคลใดไม่เคยจเจรินานยินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จกักขุนสีใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้พร้อมเพรียงในวยอรหัตตะมักไม่เคยจเจรินานยินสีแต่ไม่ใช่ไม่กำลังกำหนดรู้จกักขุนสีบุคคลเจ็ดจำพวกไม่เคยจเจรินานยินสีและก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จกักขุนสีอนุโลมปุชชา บุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินศีใช่ไหมวิจิตชนาอรหันต์แบุคคลไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีแต่ไม่ใช่ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินศีบุคคลแปดจำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีและก็ไม่เคยทำให้แจ้งัญญาตาวินศีปฏิโรมปุชชา บุคคลใดไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินศรีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรักไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินศรีแต่ไม่ใช่ไม่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีีบุคคลแปดจำพวกไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินศรีและก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีจะขุนตริยมูลกไรจบ โทมนัสสินตรียมุรกะในสี่อยหกสอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินรี่บุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีใช่ไหมวิเศษชนาบุคคลหกจำพวกไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินรี่แต่มิใช่ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีบุคคลสองจำพวกไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสี แล้วก็ไม่เคยเจริญนันญาตัญญัสสามีตินสีปฏิโลมปุชชาบุคคลใดไม่เคยเจริญนันญาตัญญัสสามีตินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กาลังละโทมนัสินสีใช่ไหมพิจัชนาใช่อนุโลมปุชชาบุคคลใดไม่ใช่กาลังละโทมนณสินสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอันอน ญ, ญ น, สนสีใช่ไหมพิจัชนา อรหันตบุคคลไม่ใช่กําลังละโทมานติสีแต่ไม่ใช่ไม่เคยเจริญนนยินสีบุคคลเจ็ดจำพวกไม่ใช่กําลังละโทมานติสีและก็ไม่เคยเจรเนนยินสีปฏิโดมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยเจริเนนยินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังละโทมานติสีใช่ไหมพิเศษชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียง nice. ด well. ้วยอนาคามีมักไม่เคยเจริญนนยินสี แต่ไม่ใช่ไม่กำลังละโทมนัสสินสีบุคคลเจ็ดจำพวกไม่เคยเจริญอัญนสีแล้ก็ไม่ใช่กาลังละโทมนัสสินสีอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยทำให้แจ้งอนยาตาวินศีใช่ไหมวิสัชนาอรหันตับุคคลไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสีแต่ไม่ใช่ไม่เคยทำให้แจ้งอันยาตาวินศี บุคคลแปดจำพวกไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสีและก็ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีปฏิโดมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสีใช่ไหมวิจัตชนาะบุคคลผู้พร้อมเพยงโดยอนาคามิมักไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีแต่ไม่ใช่ไม่กำลังละโทมนัสสินสีบุคคลแปดจำพวก ไม่เคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีและก็ไม่ใช่กําลังละโทมานสินสีโทมานสินตริยมูลกนาอจบอนัญญาตัญญัยศามีตินทริยมูลกนาอสี่ร้อยหกสิบห้าอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กําลังเจริญอนันยาตัญญยศามีตินสีบุคคล น, นั้นก็ไม่เคยเจริญอันยินรียใช่ไหมวิจัชนาะ อรหันตแต่บุคคลไม่ใช่กําลังเจรินาัญญาตัญยัตสามีตินสีตน 4, แต่ไม่ใช่ไม่เคยเจริญอันยินรียบุคคลเจ็ดจำพวกไม่ใช่กําลังเจรินาัญญาตัญญัตสามีตินสีน 4, และก็ไม่เคยเจริญอันยินรียปฏิโลมปุชชาบุคคลใดไม่เคยเจริญอันยินรียบุคคลนั้นก็ไม่ไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญยัตสามีตินรีน 4, ใช่ไหมวิเศษชนาะ บุคคลที่8ดไม่เคยเจริญอนัยินรียแต่มิใช่ไม่กำลังเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีบุคคลเจ็ดจำพวกไม่เคยเจริญอนัยินทรียและก็ไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญสตาสามีตินสีอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยทำให้แจ้งอนยตาวินรีย์ใช่ไหมวิจชนา อรหันตบุคคลไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินรียแต่ไม่ใช่ไม่เคยทำให้แจ้งอนญาตาวินรียบุคคลเจ็ดจำพวกไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินรีและก็ไม่เคยทำให้แจ้งอนญาตาวินรียปฏิโดมปุชชาบุคคลใดไม่เคยทำให้แจ้งอญยาตาวินทรี์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินรีใช่ไหมพิจชนา บุคคลที่8ไม่เคยทําให้แจ้งอน ญ, ญาตาวินสีแต่ไม่ใช่ไม่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีบุคคลเจ็ดจำพวกไม่เคยทําให้แจ้งอน ญ, ญาตาวินสีและก็ไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีอนัญญาตัญญสสามีตินตริยะมูลกนัยจบอันยินตริยะมูลกนัย466อนุรลมปุชชา บุคคลใดไมรร <SE> ite, ่ใช่กําลังเจรินานยินรีบุคคลนั้นก็ไม่เคยทําให้แจ้งอนญาตาวินสีใช่ไหมวิเศชนาอรหันตต่บุคคลไม่ใช่กําลังเจรินานยินรีแต่มิใช่ไม่เคยทําให้แจ้งอนญาตาวินสีบุคคลห้าจำพวกไม่ใช่กําลังเจรินานยินทรีและก็ไม่เคยทําให้แจ้งอนญาตาวินสีปฏิโดมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยทําให้แจ้งอญยาตาวินสี บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเจริอนาญินรียใช่ไหมวิเศชนาะบุคคลสามจำพวกผูกพร้อมเปรียงด้วยอรหัตตมักไม่เคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีแต่ม่ใช่ไม่กําลังเจริอนาญินรีบุคคลห้าจำพวกไม่เคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีแต่ก็ไม่ใช่กําลังเจริอนยินสีอัญญีตริยมูลกนยัยจบห้า ปัจจุปันนาณาคตาวานอนุโลมจกขุนทริยะมูลกนัย467อนุโลมปุชชาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้จกักขุนสี่บุคคลนั้นก็จักรละโทมานติ ส, สินสใช่ไหมวิสัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุชชาบุคคลใดจักละโทมนัิสินสี่บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้จกักขุนสี่ใช่ไหมวิสัชนา ไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกําลังกําหนดรู้จักขุนศรีบุคคลนั้นก็จะเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินศรีใช่ไหมพิจัดชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดจกเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินศรีบุคคลนั้นก็กําลังกําหนดรู้จักขุนศรีใช่ไหมพิจัดชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉา บุคคลใด ก, นนนน ก, กำลังกําหนด ร, รู้จากขุนศีบุคคลนั้นก็จะเจรินันยินรียใช่ไหมวิสัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุชฌาบุคคลใดจกเจรนานยินรีบุคคลนั้นก็กําลังกําหนดรู้จากขุนศีใช่ไหมวิสัชนาไม่ใช่อนุโลมปุชฌาบุคคลใดกําลังกําหนดรู้จากขุนศีบุคคลนั้นก็จะทําให้แจ้งอัญญาตาวินรีย์ใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุชฌา บุคคลใดจกทำให้แจ้งอนญาตาวินสีบุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้จากขุนสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเจ็ดจําพวกจะทำให้แจ้งอนญาตาวินสีแต่ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จากขุกนสีบุคคลผู้พร้อมเพรียงไดอรหัตมักจะทำให้แจ้งอนญาตาวินสีและก็กำลังกำหนดรูจ้จากขุนสีจากขุนตรียะมุรกไนาจบ โทมนัสสินตริยะมูลกไนสี่ร้ยหกสิบอนุโลมปุจฉ้าบุคคลใดกำลังละโทมนัสสินสี่บุคคลนั้นก็จะเจรนาัญญาตัญญัตสสามีตินสี่ใช่ไหมพิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉ้าบุคคลใดจากเจรินาัญญาตัญญัตสสามีตินสี่บุคคลนั้นก็กำลังละโทมนัสสินสี่ใช่ไหมพิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจช้า บ ah, b b 17, may, trendy, ุคคลใดละโทมนัิสินสีบุคคลนั้นก็จักเจรินานยินรีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโรมปุชชาบุคคลใดจักเจรินานยินรีบุคคลนั้นก็กำลังละโทมนัิสินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลหกจำพวกจักเจรินานยินรียแต่ไม่ใช่กำลังละโทมนัิสินสีบุคคลผู้พร้อมเพลียงไดรานาคามิมักจักเจรินานยินรีย และก็กําลังละโทมานตสินสะีอนุโลมปุจฉาบุคคลใดกําลังละโทมนัสินสะีบุคคล น, นั้นก็จะทําให้แจ้งอนญาตาวินสีใช่ไหมวิเัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจกทําให้แจ้งอญยาตาวินสีบุคคล น, นั้นก็กําลังละโทมานตสินสีใช่ไหมวิเศชนาะบุคคลเจ็ดจําพวกจะทําให้แจ้งอญยาตาวินสี แต่ไม่ใช่กำลังละโธมนณสินสีบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอนาคามิมักจะทำให้แจ้งัญญาตาวินสีแล้วก็กำลังละโธมนณสินสีโธมนณสินตริยมูลกนัยจบอนัญญาตัญญสสามีตินทริยมูลกนัย469อนุรมปุจฉาบุคคลใดกำลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินสีบุคคลนั้นก็จกเจริญอนยินทรียใช่ไหม วิสัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาบุคคลใดจักเจริญอณาญินรีบุคคลนั้นก็กําลังเจริญณาัญญาตัญญสสามีตินสียใช่ไหมวิสัชนาบุคคลหกจาพวกจักเจริญอณาญินทรียแต่ไม่ใช่กําลังเจรณาัญญาตัญญสสามีตินสีบุคคลที่8ดจักเจริญอณาญินรียและก็กําลังเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีอนุโลมปุชชา บุคคลใดกําลังเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสียบุคคลนั้นก็จะทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโดมปุจฉาบุคคลใดจกทําให้แจ้งอนญาตาวินสีบุคคลนั้นก็กําลังเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเจ็ดจำพวกจะทําให้แจ้งอัญญาตาวินสี แต่ไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีติตนรีบุคคลที่แปดจะทาให้แจ้งอนยตาวินรีและก็กําลังเจริญอนัญญาตัญญสสามีติตนสีอนัญญาตัญญสสามี ต, ตินทริยะมูลกนัยจบอัญญทริยะมูลกนัยสี่รอเจสินุโรมปุชชา บุคคลใดกําลังเจรินันยินทรีบุคคลนั้นก็จะทําให้แจ้งอนญาตาวินสีใช่ไหมวิเศษชนาใช่ปฏิโดมปุจฉาบุคคลใดจะทําให้แจ้งอนญาตาวินสีบุคคลนั้นก็กําลังเจรนานญินทรีย์ใช่ไหมวิเศษชนาบุคคลห้าจำพวกจะทําให้แจ้งอนญาตาวินสีแต่ไม่ใช่กําลังเจรินันยินรีบุคคลสามจำพวกผู้พร้อมเพรียงไดรหัตตมัก จะทําให้แจ้งัญญาตาวินสีและก็กําลังเจริญณาญินสีอันยินทริยะมูลกนัยจบปัจจณีกะจะขุนธริยะมูลกนัย471อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จกักขุนสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักระโมสมณตสินสีใช่ไหมพิจชนาะ บุคคลห้าจำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสี่แต่ไม่ใช่จากไม่ละโทมนัสสินสี่บุคคลสี่จำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสี่และก็ไม่ใช่จากละโทมนัสสินสี่ปฏิโดมปุจฉชาบุคคลใดไม่ใช่จากละโทมนัสสินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสี่ใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงได้รหัตมรักไม่ใช่จากละโทมนัสสินสี่ แตไม่ใช่ไม่กำลังกำหนดรูจ้จักขุนศีบุคคลศีจําพวกไม่ใช่จากละโทมานสินศีและก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรูจ้จักขุนศีอนุโลมปุชชาบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรูจ้จักขุนศีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเจริญอนัญญาตันยัตสามีติน4ใช่ไหมวิสัชนาะบุคคลเหล่าใดเป็นปุถุชนจักได้มาบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังกำหนดรูจ้จักขุนศี แต่ไม่ใช่จากไม่เจริณนัญญาตัญญัสสามีตินสีบุคคลแปดจำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีและก็ไม่ใช่จากเจริณาัญญาตัญญสสามีตินสีปฏิโลมปุชชาบุคคลใดไม่ใช่จากเจริณาัญญาตัญญสสามีตินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิเศชนาะ บุคคลผู้พร้อมเปลียนด้วยรหัตตะมักไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัสามีตินสีแต่ไม่ใช่ไม่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลแปดจำพวกไม่ใช่จักเจริอนัญญาตัญญัสามีตินสีและก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจรินันยินสีใช huh ่ไหมวิสัชนา บุคคลเจ็ดจำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนศรีแต่ไม่ใช่จากไม่เจรินันยินศรีบุคคลสองจำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนศรีและก็ไม่ใช่จากเจรินันยินศรีปฏิโรมปปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จากเจรินันยินศรีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนศรีใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้พร้อมเปลียงไดรหัตตะมักไม่ใช่จากเจรินันยินศรี แต่ไม่ใช่ไม่กำลังกำหนดรู้จักขุนศรีบุคคลสองจำพวกไม่ใช่จากเกระเนื้อนยินทรียแล้วก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนศรีอนุโลมปุชชาบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนศรีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากทำให้แจ้งัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิสัชนาบุคคลเจ็ดจำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนศรีแต่ไม่ใช่จากไม่ทำให้แจ้งัญญาตาวินศรีย บุคคลสองจำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสรีและก็ไม่ใช่จักทำให้แจ้งัญญาตาวินศรีปฏิโดมปุชชาบุคคลใดไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินศรีบุคญญาาบคล น, นั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิสัชนาใช่จกักขุนตริยมูลกนัยจบโทมนัสินตริยมูลกนัยสี่อเจ็อนุโดมปุชชา บุคคลใดไม่ใช่กําลังละโทมานติสินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดเป็นปุถุชนจักได้มรรคบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังละโทมนัิสินสีแต่ไม่ใช่จักไม่เจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีบุคคลแปดจำพวกไม่ใช่กําลังละโทมานติสินสีและก็ไม่ใช่จักไม่เจริญ อนัญญาตัญยัตสามีตินสีปฏิโรมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญยัตสามีตินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังรัโทมนณสินสีใช่ไหมวิสัชนาะบุคคลผู้พร้อมเปรียงด้วยอนาคามิมักไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญยัตสามีตินสีแต่ม่ใช่ไม่กำลังรัโทมนณสินสีบุคคลแปดจำพวกไม่ใช่จักเจริญ อนัญญาตัญญสสามีต an ินสีและก็ไม yes. yes. ่ใช่กําลังละโทมานสินสีอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กําลังละโทมานสินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจรินัญยินรีใช่ไหมวิจัตชนาบุคคลหจําพวกไม่ใช่กําลังละโทมานสินสีแต่ไม่ใช่จักไม่เจรินันยินสีบุคคลสามจำพวกไม่ใช่กําลังละโทมานตินสีและก็ไม่ใช่จักเจรินันยินสี ปฏิโดมปุจฉั่บุคคลใดไม่ใช่เด็กเจตเรนยินรีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังละโทมนัสสินสีใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉั่บุคคลใดไม่ใช่กําลังละโทมนัสสินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะทําให้แจ้งอนญาตาวินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเจ็ดจําพวกไม่ใช่กําลังละโทมนัสสินสีแต่ไม่ใช่จะไม่ทําให้แจ้งอนญาตาวินสี บุคคลสองจำพวกไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสีและก็ไม่ใช่จะกทำให้แจ้งอน ญ, ญาตาวินสีปฏิโดมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จะกทำให้แจ้งอน ญ, ญาตาวินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสีใช่ไหมวิจัตชนาใช่โทมนัสสินตริยมูลกานัยิจบอนัญญาตัญยัตสามีตริยมูลกานายัย สี่ร73อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กําลังเจริณาัญญาตัญญสสามีตินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเจริญอัญญินรียใช่ไหมวิจัชนาบุคคลหจําพวกไม่ใช่กําลังเจริณาัญญาตัญญสสามีตินสีแต่ไม่ใช่จกไม่เจริญอัญญินรีบุคคลสามจำพวกไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีและก็ไม่ใช่จกเจริญอัญญินรีย ปฏิโดมปุจฉั่บุคคลใดไม่ใช่จากเจรินา ญ, ญินรีบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่กําลังเจรินาั ญ, ญญาตัญยัตสามีตินรียใช่ไหมวิจัตชนาะใช่อนุโลมปุจฉับุคคลใดไม่ใช่กําลังเจรินาัญญาตัญยัตสามีตินรีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากทําให้แจ้งอัญญาตาวินทรี์ใช่ไหมวิจัตชนาะบุคคลเจ็ดจําพวกไม่ใช่กําลังเจรินาั ญ, ญญาตันยัตสามีตินสีย แต่ม่ใช่จากไม่ทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลสองจำพวกไม่ใช่กําลังเจรนาัญญาตันยศสามีตินสีและก็ไม่ใช่จากทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีปฏิโลมปุชชาบุคคลใดไม่ใช่จากทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเจรินาัญญาตัญญัสามีตินสีใช่ไหมพิสัชนาใช่อัญญาตัญยศสามีตินตริยะมูลกนัย จบอัญญินทริยมูลกนัยสี่รอเจ็ิสอนุโลมปุจฉ้าบุคคลใดไม่ใช่กําลังเจรนานยินรี่บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะทําให้แจ้งอัญญาตาวินรี์ใช่ไหมพิเศชนาบุคคลห้าจำพวกไม่ใช่กําลังเจริญนันยินรี่แต่ไม่ใช่จะไม่ทําให้แจ้งัญญาตาวินรีบุคคลสองจำพวกไม่ใช่กําลังเจรินันยินสี แล็กก็ไม่ใช่จะทําให้แจ้งัญญาตาวินสีปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จะทําให้แจ้งัญญาตาวินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเจริญอัญญินรีใช่ไหมวิจัตชนาใช่อัญญทริยมูลกไนจบ 6. อตีตานาคตาวานอนุโลมจะขุนทริยมูลกไนสย475ห อนุโลมปุชชาบุคคลใดเคยกําหนดรู้จักขุนศรีบุคคลนั้นก็จักระโทมนัสสินศรีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุชชาบุคคลใดจักระโทมนัสสินศรีบุคคลนั้นก็เคยกําหนดรู้จักขุนศีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุชชาบุคคลใดเคยกําหนดรู้จักขุนศรี บุคคลนั้นก็จะเจริญอนัญญาตันยัตสามีตินสียใช่ไหมพิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุชชาบุคคลใดจกเจริญอนัญญาตันยัตสามีตินรียบุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดเคยกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลนั้นก็จะเจริญอัญินทรียใช่ไหมวิจารณาไม่ใช่ ปฏิโดมปุชชาบุคคลใดจักเจรนอนินสีบุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมพิจาชนาไม่ใช่อนุโลมปุชชาบุคคลใดเคยกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลนั้นก็จักทำให้แจ้งอนญาตาวินทรีย์ใช่ไหมพิจาชนาไม่ใช่ปฏิโดมปุชชาบุคคลใดจักทำให้แจ้งอนญาตาวินรียบุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหม วิจัชนาะไม่ใช่จะขุนตริยมูลกนัยจบโทมนันสินตริยมูลกนัยสี่้อยเจ็ดิบหอนุโลมปุจฉาบุคคลใดเคยละโทมานตินสี่บุคคล น, นั้นก็จดกเจริญอนาัญญาตัญญสสามีตินสีใช่ไหมวิจัชนาะไม่ใช่ปฏิโดมปุชขาบุคคลใดจดกเจรินานัญญาตัญญสสามีตินสี บุคคล น, น Yours, ั seguir, ้นก็เคยละโทมนัดสินสี่ใช่ไหมวิจัตชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดเคยละโทมนัดสินสี่บุคคลนั้นก็จะเจรินันยินสี่ใช่ไหมวิจิตชนาบุคคลสองจำพวกเคยละโทมนัดสินสี่แต่ไม่ใช่จะเจรินันยินสี่อนาคามีบุคคลเคยละโทมนัดสินสี่แล้วก็จะเจรินันยินสี่ปฏิโดมปุจฉา บุคคลใดจักเจรินาญินรียบุคคลนั้นเคยละโทมนณสินสีใช่ไหมพิจัดชนาบุคคลหกจำพวกจักเจรินาญินรียแต่ไม่เคยละโทมนณสินสีอนาคามีบุคคลจักเจรินาญินรียและก็เคยละโทมณสินสีอนุรมปุชชาบุคคลใดเคยละโทมนณสินสีบุคคลนั้นก็จะทําให้แจ้งอนญาตาวินสีใช่ไหมพิจัดชนา อรหันตบุคคลเคยละโทมนัสสินสี 4, แต่ม่ใช่จักไม่ทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลสองจำพวกเคยละโทมนัสสินสี 4, แล้ก็จักทใ า, า, า, ใ, ากทให้แจ้งอนญาตาวินสีปฏิโดมปุชชาบุคนน ค, 4, นะบคลใดจั ก, กทําให้แจ้งอนญาตาวินสีบุคคลนั้นก็เคยละโทมนัสสินสีใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลหกจาพวกจักทาให้แจ้งอนญาตาวินสี แต่ไม่เคยละโทมานต์สินสีบุคคลสองจำพวกจะทําให้แจ้งอน ญ, ญาตาวินสีและก็เคยละโทมานต์สินสีโทมนต์สินตริยะมูลกนัจบอนาญยาตัญยศสามีตินทริยะมูลกนัยสี้อเจบเจอนุโลมปุชชาบุคคลใดเคยเจริญอนาญยาตัญยศสามีตินสีบุคคลนั้นจะเจริญอันยินสีใช่ไหม วิจัชนาบุคคลสองจำพวกเคยเจริญนันญาตัญญสสามีตินสีแต่ไม่ใช่จักเจริญนยินสีบุคคลห้าจำพวกเคยเจริญนัญญาตัญญสสามีตินสีและก็จักเจริญนยินสีปฏิโดมปุชชาบุคคลใดจักเจริญนยินสีบุคคลนั้นก็เคยเจริญนันญาตัญญัสสามีตินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกจักเจริญนยินสี แต่ไม่เคยจเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีบุคคลห้าจำพวก จ, กจะเจริญอนยินสีแล้ก็เคยจเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีอนุรมปุจฉาบุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินรียบุคคลนั้นก็จะทําให้แจ้งอนญาตาวินรี์ใช่ไหมวิจัชนาอรหันต บ, บุคคลเคยจเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสี แต่ไม่ใช่จากทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลหจําพวกเคยจเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสียและก็จากทาให้แจ้งอัญญาตาวินสีปฏิโลมปุชชาบุคคลใดจากทาให้แจ้งัญญาตาวินสีบุคคลนั้นก็เคยจเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินรีย์ใช่ไหมวิ two, จัชนาบุคคลสองจำพวกจากทาให้แจ้งอัญญาตาวินสี แต่ไม่เคยจเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินรีบุคคลหกจำพวกจะทําให้แจ้งอัญยตาวินรีและก็เคยจเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินรียอนัญญาตัญญสสามีตินทริยะมูลกนัยจบอัญยินทริยะมูลกนัย478อนุโลมปุจฉ้าบุคคลใดเคยจเจริญอนัญยินรีย บุคคล น, นั้นก็จะทําให้แจ้งอน ญ, ญาตาวินสีใช่ไหมพิจัดชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจะทําให้แจ้งอน ญ, ญาตาวินสีบุคคล น, นั้นก็เคยจเจริเนนยินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่อนยินตริยมุรการัยจบปัจจเนกาจกขุนตริย มูลกานาอ479อนุโลมปุชชาบุคคลใดไม่เคยกําหนดรู้จักขุนศรีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากละโธมณตินศรีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลห้าจำพวกไม่เคยกําหนดรู้จักขุนศรีแต่ม่ใช่จากไม่ละโธมณติศนศรีบุคคลสามจำพวกไม่เคยกําหนดรู้จักขุนศรีและก็จากไม่ละโธมณตินศรีปฏิโดมปุชชา บุคคลใดไม่ใช no ่จักละโทมานติสินสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมพิัชนาอรหันตบุคคลไม่ใช่จักละโทมานติสินสีแต่ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลสามจําพวกไม่ใช่จักละโทมานติสินสีและก็ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนสีอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้จักขุนสี บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินสีใช่ไหมพิเศษชนาบุคคลเหล่าใดเป็นปุุทนจากได้มักบุคคลเหล่านั้นไม่เคยกําหนดรู้จักขุนสีแต่ไม่ใช่จากไม่เจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีบุคคลแปดจำพวกไม่เคยกําหนดรู้จักขุนสีและก็ไม่ใช่จากเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินสีปฏิโดมปุชชา บุคคลใดไม่ใช่จักรเลนนานัญญาตัญญัสสามีตินสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมพิจชนาอรหันตบุคคลไม่ใช่จักรเลนนอนัญญาตัญยัสสามีตินสีแต่ม่ใช่ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลแปดจำพวกไม่ใช่จักรเลนนอนัญญาตัญญัสสามีตินสีและก็ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนสีอนุโลมปุจฉา บุคคลใดไม่เคยกําหนดรู้จักขุนศีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักรเรนัญยินศีใช่ไหมวิสัชนาบุคคลหําพวกไม่เคยกําหนดรู้จักขุนศีแต่ม่ใช่จักไม่เจรนัญยินศีบุคคลสองจำพวกไม่เคยกําหนดรู้จักขุนศีแต่ก็ไม่ใช่จักรเรนัญยินศีปฏิโดมปุชชาบุคคลใดไม่ใช่จักรเรนัญยินศีบุคคลนั้นก็ไม่เคยกําหนดรู้จักขุนศีใช่ไหม วิจัชนะอาอรหันต์บุคคลไม่ใช่จักเกเรนยินสีแต่มิใช่ไม่เคยกำหนดรู้จกักขุนสีบุคคลสองจำพวกไม่ใช่จักเกเรนยินสีและก็ไม่เคยกำหนดรู้จกักขุนสีอนุโลมปุชชาบุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้จกักขุนสีบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินรียใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลแปดจำพวกไม่เคยกำหนดรู้จกักขุนสี แต่ไม่ใช่จักไม่ทําให้แจ้งอน ญ, ญาตาวินสีบุคคลเหล่าใดเป็นปุถุชนจักไม่ได้มักบุคคลเหล่านั้นไม่เคยกําหนดรู้จักขุนสีแล้วก็ไม่ใช่จักทําให้แจ้งอน ญ, ญาตาวินสีปฏิโรมปุชชาบุคบคลใดไม่ใช่จักทําให้แจ้งอน ญ, ญาตาวินสีบุคคลเน้นก็ไม่เคยกําหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิสัชนะอาอรหันตบุคคลไม่ใช่จักทาให้แจ้งอน ญ, ญาตาวินสี แต่มิใช่ไม่เคยกําหนดรู้จักขุนศรีบุคคลเหล่าใดเป็นปุถุชนจักไม่ได้มกักบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักทําให้แจ้งอัญญาตาวินศรีและก็ไม่เคยกําหนดรู้จักขุนศรีจักขุนตรีมูลกนัยจบโทมนัสสินทริีมูลกนัยสี่อนุโลมปุจฉ้าบุคคลใดไม่เคยละโทมนัสสินศรี บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินสีใช่ไหมวิจิชนาบุคคลเหล่าใดเป็นปูถุชนจากได้มักบุคคลเหล่านั้นไม่เคยละโทมนณสินสีแต่ไม่ใช่จักไม่เจริญนาัญญาตัญญัสสามีตินสีบุคคลหกจำพวกไม่เคยละโทมนณสินสีและก็ไม่ใช่จากเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินสีปฏิโดมปุชชา บุคคลใดไม่ใช่จักเจริเอนัญญาตัญญสสามีตินสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยละโทมนณสินรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสามจำพวกไม่ใช่จักรเรนัญญาตัญญัสสามีตินสีแต่ม่ใช่ไม่เคยละโทมนณสินสีบุคคลหกจำพวกไม่ใช่จักริเอนัญญาตัญญัสสามีตินสีและก็ไม่เคยละโทมนณสินสีอนุโลมปุจฉา บุคคลใดไม่เคยละโทมนัสสินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเจรินานยินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลหกจำพวกไม่เคยละโทมนัสสินสีแต่ไม่ใช่จากไม่เจรินานยินสีบุคคลสามจำพวกไม่เคยละโทมนัสสินสีแต่ก็ไม่ใช่จากเจรินานยินสีปฏิโดมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จากเกเรนานยินสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยละโทมนัสสินส Fo ีใช่ไหม วิจัดชนาบุคคลสองจำพวกไม่ใช่จากเจรินาิีสีแต่มิใช่ไม่เคยละโทมนัสสินสีบุคคลสามจำพวกไม่ใช่จากเจรินาิีสีแต่ก็ไม่เคยละโทมนัสสินสีอนุโลมปุตฉาบุคคลใดไม่เคยละโทมนัสสินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากทำให้แจ้งัญญาตาวินสีใช่ไหมวิจัชนะบุคคลหจำพวกไม่เคยละโทมนัสสินสี แต่มิใช่จักไม่ทําให้แจ้งัญญาตาวินศีบุคคลเหล่าใดเป็นปุตุชนจักไม่ได้มักบุคคลเหล่านั้นไม่เคยละทมนัสินศีแล้ก็ไม่ใช่จักทําให้แจ้งอัญญาตาวินศีปฏิโดมปุจฉาบุคลคลใดไม่ใช่จักทําให้แจ้งัญญาตาวินศีบุคญญาาบคล น, นั้นก็ไม่เคยละทูลมณฑสินศีใช่ไหมพิเศชนาอารหันตบุคคลไม่ใช่จักทําให้แจ้งัญญาตาวินศี แต่ไม่ใช่ไม่เคยละโทมนัสสินสีบุคคลเหล่าใดเป็นบุตรชนจักไม่ได้มักบุกคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักทาให้แจ้งอน ญ, ญาตาวินสีและก็ไม่เคยละโทมนัสสินสีโทมนัสสินธริยมูลกนัยจบอนั ญ, ญญาตั ญ, ญัตสามีตินทริยมูลกนัยสี่อนุโรมปุจฉา บุคคลใดไม่เคยจเจริญนัญญ า, าตัญญัสสามีตินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเจริญนันยินสีใช่ไหมวิสัชนาบุคคลสองจำพวกไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีแต่ไม่ใช่จากไม่เจริญนันยินสีบุคคลเหล่าใดเป็นปุตุชนจากไม่ได้ม yeah. ักบุคคลเหล่านั้นไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินรียแต่ก็ไม่ใช่จากเจริญนันยินสีปฏิโดมปุชชา บุคคลใดไม่ใช่จักเจรนานยินสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกไม่ใช่จักเจรนานยินสีแต่มิใช่ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีบุคคลเหล่าใดเป็นปุถุชนจักไม่ได้มากบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเจรินานยินสีและก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินสีอนุโลมปุจฉา บุคคลใดไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักทำให้แจ้งอนญาตาวินรีใช่ไหมพิเัชนาบุคคลสองจำพวกไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินรีแต่ไม่ใช่จักไม่ทำให้แจ้งอนญาตาวินรีบุคคลเล่ใดเป็นปุถุชนจักไม่ได้มักบุคคลเหล่านั้นไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสี ก็ไม่ใช่จักทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีปฏิโลมปุชชาบุคคลใดไม่ใช่จักทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสียใช่ไหมพิจัชนาะอรหันตบุคคลไม่ใช่จักทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีแต่มิใช่ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสียบุคคลใดเป็นปุถุชนจักไม่ได้มัก บุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักทําให้แจ้งอนญาตาวินสีและก็ไม่เคยเจริญณาัญญาตัญญสสามิตินสีอนัญญาตัญญสสามิตินทริยะมูลกนัยจบอัญญตริยะมูลกนัยสี่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยเจริญณาญินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักทําให้แจ้งอนญาตาวินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลแปดจำพวก ไม่เคยเจรญนนยินรีแต่มีใช่จักไม่ทำให้แจ้งอัญญาตาวินรีบุคคลเหลใดเป็นปุถุชนจักไม่ได้มักบุคคลเหล่านั้นไม่เคยเจรเนนยินสีแล้วก็ไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยเจรเนนยินรีใช่ไหมวิจัชนาอรหันตบุคคล ไม่ใช่จักทําให้แจ้งัญญาตาวินรีแต่มิใช่ไม่เคยจเจรินันยินสีบุคคลเหล่าใดเป็นปุถุชนจักไม่ได้มักบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักทําให้แจ้งัญญาตาวินรีแต่ก็ไม่เคยจเจรินัญยินสีันยินทริยะมูลกนัยจบปริญญาวานจบอินทริยะยะมกจบยมกปรกรณจบ